ทานศีลภาวนาส่วนที่เติมมาเจ็ดข้อนั้นเป็นการขยายจากสมข้อต้นเพื่อให้เห็นความหมายและช่องทางที่จะทำบุญเพิ่มขึ้น